จะได้พูดถึงเรื่องตนแลเป็นที่พึ่งของตนเราจะหวังพึ่งผู้อื่นนั่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ตนจะเป็นที่พึ่งของตนได้ก็เพราะตนมาฝึกฝนตนให้ดีเท่านั้น จึงจะได้ที่พึ่งอันดีพระศาสดาทรงแสดงไว้ น, นี่นะพากันเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ <c oughs> <c oughs> เป็นลูกมาจะหวังพึ่งพ่อพึ่งแม่ตลอดไปก็ไม่ได้นี่นี่ได้ผัวได้เมียมาจะหวังพึ่ง ซึ่งกันและกันตลอดไปก็ไม่ได้มีญาติพี่น้องร่วมวงร่วมตระกูลกันเราจะหวังพึ่งกันตลอดไปก็ไม่ได้แล้วมีประเทศอันเป็นที่อยู่อาศัยอันนี้ก็เหมือนกันนะเราจะพึ่งแผ่นดินอันนี้ไป ตลอดก็ไม่ได้ดูสิบางแห่งนะ<ม>เกิดพวกเดียวกันกันลบลาค่าฟันกันบ้านแตกและแลขาดตรงนี้ไปอยู่ประเทศอื่นนู่น<ม>ประเทศอื่นเขาสงสารเขาก็ให้พึ่งไปชั่วระยะนึง<ม>เพราะฉะนั้น ให้พากันคิดว่าเราจะหวังพึ่งนั้นธรรมชาติในโลกอันนี้ตลอดไปไม่ได้เลยทุกคนมันต้องคิดพึ่งตัวเองตามคำสอนของพระพุทธเจ้า <c oughs> มารดาบิดาเพื่อนกุเลี้ยงให้ได้มีชีวิตเจริญไว้ใหญ่โตมาแล้วอย่างนี้เลย มันนี่จะไปให้มารดาไปดาเลี้ยงไปตลอดจะไปได้ที่ไหนอ่ะอืคนเราเกิดมาแล้วอยู่นานปีไปก็เท่าแก่ะลาร่วงโรยไปมันต้องคิดให้ดีคนเราอ่ะนั่นั่นพุทธภาษิตนี่ไม่ล้าสมัยเลยมันจะร่วงเลยมาแล้วตั้งสองพันกว่าปีก็ยังทันสมัยอยู่ เป็นอมตะทีเดียวนคนที่ไม่คิดพึ่งตัวเองนั่นเรียกว่าคนที่ขาดความเพียรขาดความอดทนอในการทําความดีเมื่อขาดความเพียรความอดทนแล้วปัญญาก็ไม่เกิดขึ้นก็เลยมองไม่เห็นช่องทาง ที่จะพึ่งตัวเองได้เลยมันก็ต้องคิดพึ่งแต่ผู้อื่น <c oughs> ผู้ใดเป็นผู้ที่มีความบากมีความเพียรบากบัน่นไม่ท้อถอยในหน้าที่ของตนตนมีหน้าที่อย่างไรหน้าที่การงานเหล่านี้เหมาะสมแก่ตน อย่างนี้แล้วเมื่อพิจารณาเห็นแน่นอนแล้วอย่างนี้ตั้งอกตั้งใจพาเพียรพยายามทำหน้าที่การงานนั้นๆไปให้เต็มความสามารถเช่นนี้แล้วมันก็ย่อมจะเกิดดอกออกผลให้ได้ไม่ว่า ง, งานทางโลกไม่ว่า ง, งานทางธรรม มันจะสสำเร็จไปได้เป็นไปได้ก็เพราะอาศัยความอดความเพียรความพยายามไปไม่ท้อไม่ถอย mm hmm. เช่นอย่างว่าเรามาเป็นนักบวชอย่างนี้นะงานหน้าที่ของนักบวชมีอย่างไรศึกษาให้รู้ให้เข้าใจแล้ว ก็ลงมือทำงานอ น, นั้นไปตามหน้าที่ของตนให้มันเต็มความสามารถผู้บวชเข้ามาใหม่ก็มีหน้าที่จะต้องศึกษาแลาเรียนพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าให้รู้ให้จำไว้ในใจให้เป็นธรรมสมบัติของตน ก็ตั้ง อ, อกตั้งใจร่ำเรียนจริงๆให้ถือว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เนะเป็นทรัพย์อันประเสริฐชิ้นหนึ่งเลยทีเดียวไม่มีทรัพย์สินอันใดในโลกนี้จะไปมีค่ายิ่งไปกว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ไม่มีทำไมถึงว่าอย่างนั้นที่ว่าอย่างนี้ก็เพราะว่า พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นะเป็นเครื่องชี้ทางออกจากทุกข์ให้แก่คนทั้งหลายเป็นอย่างนั้นแต่นี้บุคคลผู้ไม่รู้คำสอนของพระพุทธเจ้านี่จะเอาตัวไม่รอดหรือไม่รอดเพราะอะไรล่ะก็เพราะกิเลสแล้วมันจูงไปในทางต่ำ ตนไม่มีเครื่องปราบกิเลสเช่นนี้แล้วมันก็สู้อำนาจกิเลสไม่ได้กิเลสก็ครอบงำจิตทำให้จิตตกไปในทางต่ำนั่นแหละสาเหตุที่คนเราจะเป็นคนเสียพึ่งตัวเองไม่ได้ก็เพราะว่าไม่มีคุณธรรมอันเป็นเครื่องปราบกิเลส ในหัวใจจะไปอาศัยตั้งแต่กฎหมายหรือว่าระเบียบภายนอกบังคับเอาไว้จึงจะทำความดีได้เท่านั้นไม่พอไม่พอต้องให้เข้าใจคนเรานะสังเกตดูถ้าหากว่ากิเลสตัณหามันหนาแ น, น่น ในใจมากๆแล้วกฎหมายมันก็ไม่กลัวมันก็รล่วงกฎหมายไปอยู่งั้นแหละอ้าวเจ้าหน้าที่เขาจับได้เอาไปฟ้องล้งสารตัดสินติดคุกตรีตารางก็ติดไปไม่กลัวนี่อำนาจของกิเลสมันเป็นอย่างนั้นแหละหากันพิจารณาให้มันเห็น มันทำให้คนเราในจิตใจแข็งกระด้างไม่กลัวบาปไม่กลัวทุกภัยอะไรเลยอำนาจของกิเลสนเป็นอย่างนี้อย่างเช่นบุคคลเมื่อมีความรักก้มรุ ม, มหัวใจเข้ามาแล้วอย่างนี้นะใครจะมาขัดขวางไม่ได้เลยเป็นอันว่า ต้องทะเลาะกันเลยต้องประหัดประหารกันลงใครจะมาแย่งความรักของตนไม่ได้อืยอมตายเพราะความรักบุคคลผู้ยอมตายเพราะความรักไม่เห็นมีประโยชน์อะไรอ่ก็ตายไปแล้วนี่มีประโยชน์อะไระนั่นแหละคนเรามันคิดผิดมันเห็นผิดไม่ได้ มีสมาธิปัญญาอยู่ในใจเลยมองไม่เห็นโทษแห่งความรักความใคร่เหล่านั้นจนยอมพลีชีวิตเพื่อความรักแล้วไม่ได้อะไรเลยตายเป็นผีไปพอเปล่าอืลตายเป็นผีเวลามันแทนที่ว่ามันจะได้ไปสู่ความสุขความสบายไม่มีทางหรอกมันจะมีทางไงเพราะว่าใจมันเป็นอกุศล ตั้งแต่ยังเป็นคนนี่พอแรงแล้วนะตายลงไปแล้วอาุสนันมันก็นำไปสู่ทุกเท่านั้นแหละเพราะว่าจิตใจมันตกอยู่ใต้อำนาจแห่งอาุสนแล้วนี้เนี่ยที่ว่าคนเรานะพึ่งตัวเองไม่ได้นะอืมเป็นอย่างนี้แหละพึ่งตัวเองไม่ได้หมายความว่าไม่สามารถที่จะฝึกตนให้ ทำความดีได้เมื่อมันทำความดีไม่ได้มันก็โน้มไปทางชั่วมันจะอยู่เฉยๆไม่ได้นะจิตใจอันนี้นะแมความโกรธก็เหมือนกันนะบุคคลผู้ปล่อยความโกรธครอบงมจิตใจเข้าไปแล้วมันก็มีแต่หาเรื่องทะเลาะวิวาสกับผู้อื่นอันทางที่จะ มีนโยบายประสานสามคัคคีกับหมู่กับเพื่อนกองดองกันไม่ได้คนโทสะจริตธรรมดาคนโทสะจริตนี่มานะมันก็หนาแน่นในใจมากความถือตัวว่าตนมันแข็งแรงตนไม่กลัวใครตนก็คนมีตระกูลคนหนึ่ง ใครจะมาดูถูกไม่ได้นี่มาณนะกับความโกรธนะ่ะมันเป็นสหายกันนะคิดดูถ้าบุคคลมาบรรเทามาณนะลงได้ความโกรธมันก็เบาลงอเอเหนบุคคลมาทวนกระแส จ, จิตเข้ามามองดูอัตภาพร่างกายอันนี้นะว่ามันจะแข็งแรงขนาดไหน มันจะเก่งขนาดไหนเออเมื่อมามองดูให้ถี่ถ้วนโดยปัญญาแล้วมองไม่เห็นว่าร่างกายนี่มันจะแข็งแรงตรงไหนอ่ะไม่มีอืออะไรกระทบกระทั่งนิดหน่อยมันก็วิบัติไปแล้วอย่างงี้นะแล้วมันจะแข็งแรงตรงไหนอ่ะ น, นั่นนะมันกิเลสมันย้อมใจแล้วมันเลยเข้าใจผิดไปเฉยๆเนี่ยนั่นแนหะคนเรามันถึงได้ทะเลาะวิบาทกัน มันจึงไม่ยอมอ่อนน้อมต่อผู้ใดไม่ยอมเคารพนับถือผู้ใดไม่ยอมเชื่อฟังคําสั่งสอนของครูบาอาจารย์ให้พากันพิจารณาตัวเองคนเรานะนี่แหละสิ่งที่มันจะทำให้ตนพึ่งตัวเองไม่ได้สิ่งที่จะทำให้ตนสร้าง กุศลคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นในตนไม่ได้ก็เพราะกิเลสเหล่านี้แหละเพราะจิตใจมันเพราะไม่ฝึกใจคอยให้ความโกรธครอบงําจิตใจอันจิตใจของคนเรานี่มันไม่หนักแน่นไม่ตั้งมั่น อยู่ในคุณงามความดีได้ก็เพราะพิเลยให้พากันพิจารณาให้ดีไม่ใช่อย่างอื่นนะอย่าไปโทษพระสิ่งภายนอกอย่าไปโทษคนอื่นและสัตว์อื่นว่ามาทำให้ตนหวั่นไหวเดือดร้อนอะไรอย่างนี้นี่ไม่ถูกทางพระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนอย่างนั้น พระองค์ได้ทรงสั่งสอนให้มาดูตนของตนนี่ให้มาโทษตนของตนนี่เมื่อจิตใจตนไม่ดีอย่างนี้นะแล้วไปโทษคนอื่นว่าไม่ดีต่อตนอย่างนี้มันก็ใช้ไม่ได้นั่นแหละถ้าว่าตนใจดีใจหนักแน่นเพียงพออย่างนี้นะ แม้สิ่งภายนอกแล้วมันจะกระทบกระทั่งมาตนไม่วันไหวแล้วมันก็ชนะหมดเลยโรคอันเนี้ยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันเป็นของคู่กันในโลกนี้นะเมื่อมันเป็นคู่กันแล้วมันก็กระทบกระทั่งกันท่านเปรียบไว้เหมือนกับกำไรที่ใส่อยู่ในแขนของคนถ้ามันมีสองอันแล้วนะ มันย่อมกระทบกันกิ้งแกงกิ้งแกงอยู่นั่นแหละเคลื่อนไหวไปมา อ, มอันนี้ฉันใดก็เหมือนกันนะโลกอันนี้นะถ้าหากว่าต่างคนต่างก็มีกิเลสเหมือนกันอย่างนี้นะอยู่ด้วยกันน่ะถ้าไม่ต่างคนไม่สำรวมใจของตนไปรู้อำนาจแก่กิเลสแล้วมันก็ต้องกระทบกระทั่งกันอยู่อย่างนั้นแหละเลื่อยไปเลย เหมือนกับกําไรที่อยู่ในแขนของคนอย่างว่านั่นเนี่ยออมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาทำให้โลกอันนี้เป็นโลกที่วันนี้นะการปฏิบัติตามคําสอนของอุตตรเจ้านะ <c oughs> ให้ <c oughs> สมมติว่าเมื่อใจเราตั้งลงเป็นหนึ่ง ไม่วันไหวต่อความชั่วร้ายต่างๆแล้วอย่างนี้นะก็ชื่อว่าเรามีธรรมขี้อยู่ในใจไม่มีธรรมคู่เมื่อมีธรรมขี้อยู่ในใจมันก็ไม่มีเรื่องมากระทบกระทั่งเลยนะอยนนี้แม้ว่าจะมีเรื่องมากระทบมันก็ไม่ยึดเกาะไว้อ มันเป็นอย่างนั้นถ้าจะดูกันในโลกอันนี้แล้วเหมือนอย่างนักบวชอย่างนี้เลยนักบวชนี่ถ้าหากว่าทำตัวเป็นคนผู้เดียวกายเดียวใจเดียวจริงๆแล้วมันก็ไม่เห็นมีเรื่องอะไรอ่ะอ น, นันออยู่ที่ไหนก็ได้ไปที่ไหนก็ได้ไม่มีเวรไม่มีภัยอะไรกับใครเลยอื แล้วเมื่อตอนเอาชนะกิเลสไอความชั่วในหัวใจได้แล้วอย่างนี้มันก็มีแต่ความดีตั้งอยู่ในใจนี่นะมีแต่เมตตากรุณาธรรมมีแต่ขันติความอดทนบกมีอุบเบกขาทมอยู่ในใจรู้ใจของตัวเองว่าเป็นอุบเบกขาอยู่ไม่ยินดียินร่ายกับเรื่องใดๆภายนอก เมื่อใจผู้ใดเป็นอย่างนี้แล้วจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครเลยไม่มีศัตรูที่จะมาจองร้างจองฝานอะไรไม่มีเลยนี่แหละนี่ท่านเรียกว่าโลกขี้อันนี้นะพระ菩萨ตาทรงสั่งสอนพุทธบริษัทก็มุ่งที่จะให้ได้ทำขี่อย่างว่านี่นะ อย่าให้มันได้ทำคู่เพราะว่าไอเรามันท่องเที่ยวมาในสงสารนี่มันก็มายึดเกาะ อ, อยู่กับทำคู่นี่แหละมาธาตุดก็ดีเอ้าทำคู่คืออะไรคือความรักหนึ่งความช่างหนึ่งนี่เนี่ยเรียกว่าทำคู่นะมันเป็นคู่กันจริงๆนะ ถ้ามันมีรักอยู่ในใจแล้วมันก็มีชังขึ้นพร้อมเพราะอย่างว่าเมื่อมีรักอยู่ในใจแล้วหากว่าต้องการสิ่งใดกับใครไม่ได้สมหวังแล้วก็ไปเกลียดคนนั้นแล้วแบบนี้นะไปชังคนนั้นนย่านี่นตนอยากได้อะไรกับเ ข, ขาคนนั้นก็ไปติดต่อเข้าไป ขาซื้อหาหรือขอเมื่อเขาไม่ให้แล้วก็เอาแล้วโกรธชังขึ้นมาแล้วแต่ก่อนรักกันเต็มทีมนี่ว่าจะเชิงว่าความรักกับความชังนี่นะมันเป็นคู่กันจริงๆเป็นธรรมคู่มัดนี้เมื่อเรามาฝึกใจของตนให้เข้มแข็งให้ตั้งมั่นอยู่ในภุศสน ทำต่างๆให้ได้เมื่อใจตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมได้จริงๆเนอะมันก็ไม่เอียงไปข้างรักไม่เอียงไปข้างชังนะเมื่อไม่เอียงไปข้างรักความชังก็ไม่เกิดมันเป็นอย่างนั้นเมื่อไม่เอียงไปเรื่องชังเรื่องรักก็ไม่เกิดขึ้นในใจ มันเป็นอย่างนั้นไอคนเราที่มันเดือดร้อนอยู่ในโลกอะ น, นี้ก็เพราะมันอาศัยทำคู่นี้เองเนี่ยบางคนก็ว่าถ้าแสดงอย่างนี้นี่ก็แสดงให้นักบวชฟังสิชาวบ้านจะไปละได้ยังไงอ่ะเพราะว่ามันยังตกอยู่ในห่วงแห่งความรักความชังโย่บางคนก็อาจจะ สันนิฐานไปอย่างนั้นก็ได้ตามที่แสดงมานี่นะแต่ความจริงนะไม่ใช่อย่างนั้นนะทั้งนักบวชทั้งคฤรืหัดเรามีกิเลสตัวเดียวกันเลยอ่ะไม่ใช่แตกต่างกันอะไรนี่นะแล้วก็พูดถึงธรรมะก็อันเดียวกันไม่ใช่แยกกันนะต่างแต่ว่า ผูกเป็นกรหัตครองเรือนนั่นนะการปฏิบัติธรรมะนี่มันจะให้มันสม่ำเสมอไปได้เหมือนอย่างนักบวชมันก็เป็นไปไม่ได้ก็ได้บ้างเสียบ้างไปก็ยังดีกว่าไม่ทําเลยไม่ปฏิบัติเลยเช่นปฏิบัติเพื่อละความรักอย่างนี้นะ เอาก็พิจารณาให้มันเห็นโทษแห่งความรักก่อนแล้การที่บุคคลจะมาปฏิบัติเพื่อละความรักนี่ความรักนี่มันให้เป็นทุกข์อย่างไรบ้างมันให้มีความสุขอย่างไรบ้างแล้วก็เอาเอาผลแห่งความรักเน่ยในระหว่างสุขกับทุกข์มาเทียบกันดูอันไหนมากกว่ากันนี่ แน่นอนและไม่ต้องเทียบยากเลยฮะผลแห่งความรักนั้นในระหว่างสุขกับทุกข์นั้นทุกนั่นแหละมากกว่าความสุขอ่าศรสนากรงตรไว้ลแล้วว่ามีรักอยู่ที่ไหนก็มีทุกข์อยู่ที่นั้นรักไม่มีอยู่ที่ไหนทุกข์ก็ไม่มีอยู่ในที่นั้นความสุขอันเกิดจากความรัก มันก็เป็นความสุขชั่วแล่นหนึ่งชั่วช้างพับหูชั่วงูพับลิ้นเท่านั้นเองไม่ไม่ใช่ว่าเป็นสุขยั่งยืนนานอะไรเลยเนี่ยดังนั้นนะเป็นคฤหัสถ์พระศาสดาก็ทรงสอนแนวทางที่จะขจัดความรักออกจากใจนี้โดยเข้าวัด จำสินห้าสินโบสตชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งบ้างแล้วผู้ที่มีโอกาสมากก็สมทานเอาสามวันหรือเจ็ดวันหรือสิบห้าวันก็แล้วแต่ว่าโอกาสมันอำนวยให้อย่างนี้นะนี่ถ้าหากว่าเข้าวัดมาได้อย่างนี้นะะจิตใจมันก็จะห่างไกลจากความรักไปบ้างชั่วระยะหนึ่ง ก็จะมามองเห็นอานิสงส์แห่งใจที่สงบจากความรักจากความชังอันนี้ว่ามันมีความสุขมากนี่มองเห็นรสชาติแห่งความสงบใจจากความรักความชังนี่นะว่ามันมีความสุขสุขยิ่งกว่าสุขอันเกิดจากความรักความใคร่อันนั้น เปรียบกันไม่ได้หรอกความจริงนะเนื่องอย่างนี้ผู้ใดทำผู้นั้นก็จึงรู้ได้ถ้าใครไม่ทำก็รู้ไม่ได้เรื่องมันนะดังนั้นไม่ควรที่จะไปตีตนตายก่อนใครคนเรานะพอท่านแนะนำสักจงให้ถอนตนออกจากความรักความชังแล้ว ก, กลัวไว้แล้วกลัวว่า จะทำไม่ได้ท้อใจแล้วออย่างนี้นั่นท่านเรียกว่าตีตนตายก่อนไข้หมอไม่ทันได้ให้ยาพอตนเจ็บป่วยลงเลยว่าตนจะตายแล้วเลยไม่ยอมรับทานยาอันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นเลยอันนี้เรียกว่าความรักความชังนี่นะมันเป็นโรคของดวงจิต ไม่ใช่โรคของร่างกายโรคของดวงจิตนี่มันจะต้องระ ง, งับด้วยธรรมะจะไประ ง, งับด้วยอย่างอื่นไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้นดังนั้นนะผู้เป็นคารืหัดนะเจึงไม่ควรย่อท้อในเมื่อตอนพิจารณาอยู่ว่าความรักนี่มันให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแค่ไหน ความชงก็เหมือนกันวันนี้เมื่อตอนยังหมกมุ่นอยู่แต่ในสิ่งแวดล้อมต่อให้เกิดความรักความชังอยู่อย่างนั้นตนก็ไม่มีกําลังใจที่จะมาบันเทาความรักความชังออกจากจิตใจได้เลยต่อเมื่อได้หนีจากสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นออกไปชั่วระยะหนึ่ง อย่างว่าเข้าวัดเข้าว่าอย่างนี้นะวัดก็ต้องเป็นวัดที่สถานที่สงบสงัดปาเถื่จักเสียงอึกระทึกคึกโคมปาเถืจักฝูงชน พ, พุกท่านต่างๆป่าเถืจักเสียงอื อ, อึงต่างๆมูนี้นะสถานที่อย่างว่านี่แหละเป็นสถานที่ เพื่อจิตใจของบุคคลผู้เห็นโทษของกิเลสดังกล่าวมานั้นเพื่อให้ใจได้รับรสแห่งความส ง, งบสุขภายในใจิตใจเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงแนะนำให้ภิกษุสามนเณรไปอาศัยอยู่ในป่า อันเป็นที่สงบสงดเป็นที่หลีกเล่นห่างไกลจากชุนุมชนอ้องมวนเมื่อได้ความสงบภายนอกแล้วเรามาทำความเพียรเพื่อให้ได้รับความสงบภายในจิตใจมันก็ง่ายเข้าแบบนี้นะถ้าว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกนั้นกระทบกระทั่งอยู่อย่างนี้นี่ จิตฟุ้งซ่านอยู่ฉะนั้นเราจะไปทําความเพียรให้ใจมันสงบลงง่ายๆนั้นไม่ได้เลยเอมันเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่ามันมันทําได้อย่างนั้นพระศาสดาก็ไม่ได้ทรงสอนให้นักบวชทั้งหลายไปแสวงอยู่ตามป่าเขาลําเนาวไพ่ต้องคิดดูบริการอยู่ไม่ใช่อยู่ตั้งแต่พระสงฆ์สามเณรนะแม่ทายกทายิกา ผู้มีศรัทธาแรงกล้าในการปฏิบัติธรรมก็มาอยู่อาศัยได้ อ, อย่างนี้แหละสำหรับผู้ที่เห็นโทษแห่งกิเลสดังกล่าวมานั้นก็อย่างที่เราท่านทั้งหลายมาพักผ่อนย่อนใจกันอยู่ในเสนาสนะแห่งนี้คือวัดอรัญญบัรพศอำเภอสีเสียงใหม่จังหวัดน้องคายนี่ นับว่าเป็นที่หา่างไกลจากเสียงอึกทึกคึกโครมห่างไกลจากชุมชนพุกพันต่างๆเหมาะสำหรับเป็นสถานที่ฝึกฝนกจิตใจให้เข้าถึงความส ง, งบได้ <c oughs> ดังนั้นนะพุทธบริษัททั้งหลาย ได้มาเห็นสถานที่แห่งนี้แล้วก็จึงมีจิตยินดีสนับสนุนช่วยบริจาคทรัพย์ตามกำลังความสามารถมาจัดสร้างสถานที่ฝึกค้นอบรมตน้นสถานที่ชุมนุมอบรมศิลธรรมแก่คนหมู่มาก และเป็นสถานที่พักบาเพ็ญสมณะธรรมของพิกษุสามเณรกระดังที่เห็นกันอยู่นี่เลยนี่แสดงว่าพุทธบ ร, ริษัททั้งหลายเห็นดีเห็นชอบในการปฏิบัติธรรมผู้ใดมีศรัทธาพยายามถอนตนออกจากกิเลสตัณหาเหล่านี้แหละ ผู้มีปัญญามองเห็นแล้วก็ยินดีด้วยยินดีสนับสนุนเต็มที่ อ, อย่างนี้ อ, <c oughs> อันนี้แหละคนเราที่จะพึ่งตัวเองได้ก็เพราะอาศัยการที่มาฝึกขนอบรมตนอย่างที่ว่ามาแล้ว พยายามบำเพ็ญธรรมะให้เกิดให้มีขึ้นในใจธรรมะอันจะเป็นเครื่องระงรับเสียซึ่งความรักพระศาสดาก็ทรงแสดงไว้แล้วความรักในที่นี้หมายถึงรักรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนี่แหละไม่ใช่อย่างอื่นใดบัดนี้รูปคนรูปสัต รูปสถานที่ต่างๆคนจะหลงไหลก็เพราะอาศัยการตกแต่งการประดับประดาอนี่แหละคนก็เหมือนกันนะเมื่อตกแต่งประดับประดาเข้าไปแล้วรู้สึกว่าสวยงามอะไรไปทำหนองนั้นนะ เ, เกิดคลั่งไข่หลงไหลรักไข่พอใจขึ้นมาสถานที่เหมือนกันอย่างสถานที่นี่แหละ อแต่ก่อนก็เป็นแต่ป่าอยู่เฉยๆเท่านั้นเนี่ยใครมาก็ไม่เห็นว่าจะไปชมเชย อ, อะไรที่นี่เมื่อมาทําการก่อสร้างขึ้นนะ่ทําความสะอาดสะอ้านเข้าไปแล้วใครมาเห็นเข้าก็ชมเชยว่าโอ้สถานที่นี้สวยงามดีศาลาหลังนี้สวยงามดีเ อ, อ, อย่างนี้แหละ นี่เรียกว่าไอความตกแต่งนี่นะขึ้นมาแล้วมันทำให้เกิดความสวยงามขึ้นมาตามความนิยมของโลกบัดนี้เมื่อพระศาสด า, า, าได้ทรงตัดสู้แจ้งแทงตลอดในสัพพะพระองค์จึงได้ทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั้น มีโอปนะเยโกโบทพระธรรมคุณน่นนะน้อมพระธรรมเข้ามาสู่จิตใจกระหมายเอาน้อมเอาคำสอนของพระองค์นั่นเลยเช่นพระองค์ทรงสแสดงว่ารูปคนก็ตามรูปสัตว์ก็ช่างมันก็ปรุงแต่งขึ้นด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมธาตุดินน้ำไฟลมเหล่านี้นะ อันเป็นรูปร่างของคนก็ดีของสัตว์ก็ดีมันมีจิตวิญญาณมาอาศัยแล้วมันก็มีธรรมชาติของมันมายอย่างนี้ต้องอาศัยอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงไว้อจึงค่อยทรงตัวอยู่ได้อาหารที่มาหล่อเลี้ยงอัตภาพร่างกายอันนี้ก็ร่วนแต่เป็นของโสกบกเออ ดังนั้นร่างกายทุกส่วนนี่จึงสกปกมันอาศัยได้เพียงแค่หนังเท่านี้เองหุ้มอยู่มันจึงมองไม่เห็นสิ่งสกปกอยู่ภายในอันนี้พูดตามความจริงนะ น, นี่นะความจริงก็เป็นอย่างนี้แท้ๆเลวคนเลยมาหลงผิวหนังอันเนี้ยหนังอันหุ้มสิ่งสกปกอยู่นี่นะนั่นแหละ เห็นผิวขาวขาวแดงแดงดำๆอะไรเข้าไปเท่านี้แล้วก็รูึกว่าสวยงามไปเลยแถมประดับประดาตกแต่งด้วยเครื่องตกแต่งต่างๆเข้าไปอีกก็เลยว่าสวยวังงามกันเดยหลงรักหลงใครกันไปอย่างสุดใจเลยในอย่างนี้ถ้าว่าทวนกระแสจิตเข้ามาพิจารณาตามที่พระศาสดาทรงแนะนำ นั่นมาเพ่งดูความเป็นมาเป็นไปของรูปร่างกายอันนี้อย่างที่ว่ามานี่นะมันก็จะคลายความรักลงไปได้ไม่มากก็น้อยอย่างผู้คลองเรือนอย่างนี้นะว่าอย่างมันคลายออกไม่ได้มากก็คลายออกให้เบาบางลงไปแล้วก็จะไม่ได้ไปประพิผิดมิตรฉาจานกรรม ไปทำชู้จากภรรยาผู้ชายก็ดีผู้หญิงก็ไม่ไปทำชู้จากสามีมีความจงรักภักดีต่อกันโดยตรงนี่พูดถึงขเรื่องหัสผู้คองเรือนถ้าหากว่ามาฝึกฝนอบรมจิตใจเพ่งดูอัตภาพร่างกายอย่างว่านี้แล้ว มันก็จะบรรเทากิเลสอันนี้ลงได้ไม่ได้ไปทําบาปทําชั่วถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้มันก็ยิ่งบรรเทาความรักความใคร่ต่งางๆนี้ออกจากหัวใจนี่ไปเรื่อยๆทีเดียวถ้านั่งสมาธิภาวนาเพ่งพิจารณาอยู่เสมอเสมอไมไ่เฉพาะแต่นั่งสมาธิภาวนาเท่านั้นแหละ ออกจากสมาธิภาวนามาก็มีสติสมัมปชัญญะระลึกเข้ามาดูกายดูจิตอันนี้อยู่เสมอๆไปดูความจริงของร่างกายอันนี้นะอย่าอย่าไปดูไปเห็นว่ามันสวยมันงามอันนั้นผิดความจริงไปต้องดูให้เห็นว่ามันไม่สวยไม่งามอะไรอย่างงี้ถ้ามาดูมาเพ่ง เห็นว่าไม่สวยไม่งามอะไรตามธรรมชาติของมันอย่างนี้แล้วจิตใจมันก็คลายความรักความใคร่อะไรออกไปได้มากมายทีเดียวทำความเพียรไม่ท้อไม่ถอยความรักความใคร่อันนี้มันก็เบาไปเรื่อยๆเมื่อความรักความใคร่นี้เบาไปเท่าไรความชังมันก็เบาไปตามกันเพราะมันเป็นคู่กันอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละ <c oughs> มันเป็นคู่กัน เมื่อไม่รักแล้วมันก็ไม่ชังเท่านั้นเองเนี่ยมันจะชังทําไมอย่างว่าไอ้ของสิ่งนี้เนี่ยแต่ก่อนรักมันแล้วเสียดายมันบันนี้ไม่ชอบมันแล้วเมื่อไม่ชอบมั น, นยี่ใหคนอื่นเอาไปก็ไม่ว่าอะไรไม่โกรธเพราะว่าตนไม่รักมันนี้ตนไม่ต้องการมันแล้วนี่ นี่ที่ให้เห็นว่าในระหว่างความรักกับความชังนี่นะมันเป็นอย่างนี้แหละแบบ น, นี้เมื่อเมื่อไม่รักมันแล้วอย่างนี้นะมันก็ไม่ชังอันนี้ <c oughs> ใครจะเอาไปก็เฉยแบบ น, นี้จิตใจนัะนไม่หวงแล้วนี่แหละการฝึกฝนอบรมจิตในทางพุทธศาสนานี่นะขอให้พุทธสวัสดิท์ทั้งหลาย ได้รู้ความจริงเรื่องการฝึกฝนจิตใจนี่อย่างนี้วไว้ถ้าหาว่ารู้อย่างนี้แล้ว <c oughs> ก็จะได้เห็นได้ว่าทุกคนมันจะต้องมาปฏิบัติธรรมบันนี่นั่นเอการปฏิบัติธรรมนี่ไม่ใช่ว่าท่านเกณฑ์ให้ปฏิบัติไปเพื่อ รีบเล่งละกิเลสให้มันหมดไปสิ้นไปโดยเร็วเลยไม่ได้หมายอย่างนั้นนี่ถึงแก่ บ, บุคคลนั้นจะขมักขมันเท่าใดก็ช่างการปฏิบัติธรรมนี่ถ้าว่าบุญบา ร, รมียังไม่แก่กล้าเต็มที่แล้วอย่างนี้นะมันก็ยังละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปจากกิจใจไม่ได้ ใครจะทำความเพียรตลอดคืนตลอดวันก็ช่างก็หลุดไปไม่ได้ถ้าผู้นั้นน่ะทำความเพียรหามรุ่งหามค่ำเข้าไปอย่างนั้นเมื่อจิตใจมันไม่เป็นไปตามความมุ่งหมายแล้วมันจะพุ่งใหญ่เลยพอจิตใจพุ่งใหญ่แล้วเกิดวิปราชแล้วก็เสื่อมจากการปฏิบัติธรรมนั้นไปเลย มันเป็นอย่างนั้น ừ, เพราะว่าอยากสีว่ามาแล้ว น, นั่นไลยเมื่อบุญยังไม่แก่กล้าบุญกุศลยังไม่แก่กล้านี่มันยังไม่มีกำลังใจที่จะมากำจัดกิเลสนี้ให้หมดสิ้นไปได้ก่อนแต่เราก็สร้างบุญกุศลไปแล้วก็ละกิเลสไปเหตุนั้นแล้วพระศาสดาจึงทรงสอนให้ประกอบความเพียรดําเนินทางสายกลาง อย่าให้ย่อนยานเกินไปและอย่าให้ เ, เคร่งครัดเกินไปนี่เหตุที่พระองค์เจ้าทรงแนะนําสั่งสอนให้ดําเนินทางสายกลางก็เพราะเหตุผลดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละ เ, เหตุผลที่ว่าบุคคลเมื่อบุญบารมีอินทรีย์ไม่แก่กล้าเต็มที่ละแม่นจะทําความเพียรหามรุ่งหามค่ํายังไงมันก็สําเร็จไม่ได้ นี่นะขอย้ำอีกทีหนึ่งดังนั้นทุกคนขอให้เข้าใจเมื่อรู้ว่าบุญบารมีของเรายังไม่เกกล้ายังไม่เต็มเราก็เพียรพยายามสั่งสมบุญกุศลไปทำความดีไปทำดีด้วยกายไปพูดดีด้วยวาจาไปคิดดีด้วยใจไปพยายามมีสติประคองใจของตนให้คิด แต่ในทางที่ดีอย่าให้มันคิดไปทางชั่วนี่การอบรมอินทรีย์บารมีให้แก่กล้านะมันต้องทําอย่างนี้เ <c oughs> มื่อเราพยายามประคับประคองจิตให้มันคิดไปแต่ในทางที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นเท่านั้นแล้วทางที่จะเป็นทุกข์เป็นโทษแก่ตนและผู้อื่นแล้วไม่คิดไปเช่นนี้คุณธรรม เหล่านั้นมันก็จเจริญขึ้นในใจของตนนะความคิดที่จะให้เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นนะก็ได้แก่เมตตากรุณานั่นเองแหละเมื่อมีเมตตากรุณาแก่กล้าเข้าไปเท่าไหร่ผู้นั้นก็ยิ่งเล่งทําความดีเข้าไปเท่านั้นเพราะว่าคำว่าเมตตานี่หมายถึงเมตตาทั้งตนเมตตาทั้งผู้อื่นพวกคู่กันไป เราจะไปเพ่งเมตตาแต่ผู้อื่นแล้วไม่มองดูตัวเองตัวเองบกพร่องอยู่อย่างไรไม่มองดูอย่างนี้หาถูกไม่ไม่ถูกต้องเลย <c oughs> ถึงแม่จะเมตตาเพ่งไปหาผู้อื่นเมื่อตนไม่มีคุณธรรมไม่มีกุศลคุณความดีพอจะเผืแผ่เขาได้ก็เพ่งไปเป่าๆนั่นแหละไม่มีประโยชน์อะไรอย่างนั้น ฉะนั้นก่อนอื่นเนี่ยมันต้องเมตตาตนให้มังมากก่อนเฝึอกตนเข้าไปให้ใจมันตั้งมั่นลงไปในบุญในกุศลจริงจังให้ให้มันรู้ธรรมะอันเป็นเครื่องขจัดกิเลสดังกล่าวมานั่นแหละให้ได้เช่น อ, อย่างบุคคลผู้ที่ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งความโกรธอย่างนี้นะมันไม่มี ไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะมาระงับความโกรธนี้ไ ด, ได้นอกจากเมตตากรุณาธรรมกับปัญญาเท่านั้นแหละในเบื้องต้นนี่ก็จเจริญเมตตากรุณาให้ม า, มากๆากไปก่อนเมื่อจเจริญเมตตากรุณามากๆเข้าไปแล้วความโกรธนี่มันก็เบาบางลงมันอ่อนกําลังลงเป็นอย่างไ น, น เมือ่อความโกรธมันอ่อนกำลังลงนะจิตใจก็เป็นสมาธิได้เ <c oughs> มื่อเจตจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิได้แล้วอย่างนี้ปัญญาก็ยอมเกิดขึ้นก็ดำริตรีตองดูกิเลสอย่างละเอียดทุกขมุมมันซ่อนเล่นอยู่ในใจนี่อย่างไรบ้างนี่ก็มองเห็นได้เลย ว่อ๋อไอความโกรธเนี่ยมันมาซ่อนเล่นอยู่ในร่างกายอันนี้โดยจิตใจมันเห็นมองเห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตนนะนี่แหละมองเห็นนามมารมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้เป็นตัวเป็นตนอันนี้แหละเป็นเหตุให้เกิดความโกรธอย่างรุนแรงขึ้นมาในใจ เ <imen ode> มื่อมามองเห็นจุดตรงนี้แล้วว่ามันทำให้สะสมความโกรธให้หนาแน่นขึ้นในใจอย่างนี้ก็เพ่งพิจารณารูปนามนี้ให้มันแจ่มแจ้งในใจเสมอให้เห็นความจริงของรูปของนามอันนี้เลื่อยไปว่าไม่ใช่ตัวตนอะไรนะเราอย่างที่เคยพูดมาบ่อยๆอยู่ ก็หวังว่าผู้ฟังทั้งหลายก็คงจะเข้าใจเข้าใจก็จริงอยู่หรอกแต่เข้าไปในใจนั้นหน่อยหนึ่งแล้วมันออกมาเสียความเข้าใจอันนี้นะมันไม่ยั่งอยู่ในจิตใจนั้นนมนานความเห็นอันนี้นะบัด น, นี้สอนให้พยายามรักษาความเห็นอันนี้ไว้ในใจให้ติดต่อเนื่องกันไปเสมอเสมอ นี่สําคัญตรงนี้นะวันนี้นะทุกคนเห็นได้ว่าร่างกายน้ำรูปอ่า น, นี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกขเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนทุกคนก็รู้ได้เหมือนกันเนี่ยเห็นได้แต่ว่าความรู้ความเห็นอันนี้นะมันไม่ยั่งยืนอยู่ในใจได้ในเมื่อเราไม่รักษาพอรู้มาเห็นมาหน่อยหนึ่งแล้วหายไปแล้วมเมื่อมันหายไปแล้วมันก็กลับไปถือมันเอาเป็นตัวเป็นตนคืนของเก่านั่นเลย ดังนั้นนะลองสังเกตดูสินักภาวนาบางคนบางพวกที่แรกกันดูภาวนาดีจริงๆใจส ง, งบตั้งเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้อะไรหมดนี่แหละแล้วไปๆมีมีเรื่องไม่ดีกระทบกระทั่งเข้ามาอ้าวจิตใจบูดติดขึ้นมาแล้วหงุดหงิดใจขึ้นมาแล้วยับยั้งใจไว้ไม่ได้แล้ว ถ้าเป็นเรื่องที่ให้เศร้าโศกก็เศร้าโศกเสียใจไปถ้าเป็นเรื่องที่ให้โกรธก็โกรธไปบะนี้นี่อันนี้แหละมันจุดบกพร่องมันอยู่ตรงนี้ตรงที่เราเราไม่รักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ได้ฉะนั้นทุกคนต้องรักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ ในใจให้มันติดต่อกันเสมอสมอการจะรักษาไว้ได้ก็อาศัยสตินั่นแหละมันระลึกเข้าไปในกายใน ใ, นใจเสมอนี่นะระลึกเข้าไปกรดไปเพ่งดูความคิดความเห็นภายในจิตใจนะี่มันเห็นยังไงอะ่ะความรู้ความเห็นในไตรลักษณะญาณเนี่ยมันยังเป็นปกติอยู่หรือแจ่มแจ้งอยู่หรือว่าไงอะ่ะ นี่ต้องต้องมันมีสติสมัมปชัญญะระลึกเข้าไปตรวจ ด, ดูเสมอเสม อ, สมอนี้เมือม่อเมือ่อเมื่อไปกรวจ ด, ดูเห็นว่าความรู้หรือความเห็นเกี่ยวกับนามกับรูปอย่างที่ว่ามานี่นะมันมันเห็นจริงอยู่อย่างนั้นรู้จริงอยู่อย่างนั้นไม่เสริอมอ่าเช่นี้ก็พยายามรักษาความรู้ความเห็นอ น, นั้นไปเรื่อยๆไป ทีนี้เมื่อเวลามีเหตุอันไม่ดีกระเทาะกรทั้งเข้ามาบัดนี้มันก็นึกถึงความรู้ความเห็นนั้นทันทีเลยว่าความรู้ที่เรียกว่าญาณสามนั่ะคืออนิจจังทุกขังอนัตตา ม, มันก็ปรากฏขึ้นในใจทันทีเลยจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสเคลื่อนสภัพภายนอกก็ตามภายในร่างกายนี้ก็ตาม มันก็ตกอยู่ในลักษณะสามอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเหมือนกันเลยเมือม่อเมื่อความรู้ความเห็นมันแจ่แจ้งกันอย่างนี้แล้วจิตมันก็ไม่เอียงไปข้างรักข้างชังกับสิ่งใดทั้งหมดเลยแบบนี้นะมันก็ตั้ง อ, อ, อยู่โดยลำพังตัวเองแบบนี้ไม่ไหวไปตาม เรื่องเงินอื่นภายนอกหรือภายในร่างกายก็าตามเนี่ยข้อนี้แหละธรรมะที่อธิบายมาในหัวข้อว่าคนเรามันพระพุเตช้าสอนให้คนเรานั้นคิดพึ่งตัวเองอย่าได้คิดพึ่งผู้อื่นอยู่เรื่อยไปไม่มีใครให้ใครพึ่งได้ตลอดไป มาี้ตนจะเป็นที่พึ่งของตนได้ก็เพราะตนมาฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจนี่ฝึกกายฝึกวาจาให้เป็นสินฝึกใจให้เป็นสมาธิฝึกใจให้เป็นปัญญาเนี่ยสรุปใจความแล้วนะฝึกใจให้เป็นสมาธิให้ใจตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมอย่าให้มันตกไปในทางอากุศลธรรม บ้านี้เมื่อใจตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมแล้วก็ฝึกใจให้คิดให้ตรองบ้านี้นะให้พิจารณาเหตุด้านนั้นที่มันเกิดขึ้นเหตุมาจากภายนอกก็ตามเหตุเกิดขึ้นภายในนี่ก็ตามเพราะอาศัยสมาธินั่นนะเป็นพื้นฐานของปัญญาบัานี้พิจารณาเหตุต่างๆเหมือนนั้น อยู่ในขอบเขตแห่งสมาธินั้นอย่าจะอย่าพิจารณาอ่าเลื่อยเปลยไปแบบที่ว่าพิจารณาไปใจกวนไว้ไปอย่างนี้นะมันใช้ไม่ได้เลยแบบนั้นการที่นาเรื่องอะไรนี่ก็ให้ใจมันตั้งมั่นอยู่ในที่เก่ารู้ก็รู้อยู่ที่ที่ตั้งมั่นอยู่นั่นแหละเห็นก็เห็นอยู่ตรงนั้นออ เห็นอันนี้จังก็เห็นอยู่ตรงนั้นเห็นทุกครั้งเห็นอนัตตาก็เห็นอยู่ตรงนั้นแหละอยา่าไปเห็นอยู่ที่อื่นก็อย่างนี้แหละจึงเรียกว่าพอที่จะพึ่งตัวเองได้ออถ้าเป็นพิกสุสามเณรอย่างนี้นะ ได้ฝึกขนอบรมตนได้ฟังอุบายธรรมะต่างๆจำได้แล้วไปฝึกตนเข้าไปตามแนวนี้นละจนว่าใจของตนตั้งมั่นลงไปปัญญาเกิดขึ้นรู้เท่าทันเรื่องต่างๆที่มากระทบกระทั่งทางตาบ้างท้งหูบ้างเป็นต้นเหล่านี้แล้วจิตไม่วันไว้ไปตามเรื่องหมู่นั้นกนะ็แสดงว่าพึ่งตัวเองได้ แม้จะไม่มีครูบาอาจารย์แนะนำตักเตือนก็สามารถรักษาตนให้ตั้งมั่นอยุดในธรรมในวินัยได้ไม่ล่วงทรรมไม่ล่วงวินยัยไม่ทาความเสียหายแก่ตนเองและหมู่คณะถ้าหากว่าไม่ฝึกตนให้หนักแน่นในกุศลธรรมหนักแน่นในคุณธรรมดังที่แนะนำมานี่แล้ว พึ่งตัวเองไม่ได้ถ้าไม่มีผู้แนะนำจักเตือนแล้วก็มักจะเสียหายแล้วมักจะทาไม่ดีไปเนี่ยอย่างที่หนีไปกันหมู่นั้นไปไปแล้วก็เอาแล้วไม่มีใครสอนแลวก็เกิดวิบัติไปต่างๆนั่นนะ <c oughs> แม้ผู้ครองเรือนก็เหมือนกันนะ ผู้คลองเรือนผู้นับถือพระพุทธศาสนาถ้าว่าจับหลักธรรมะข้อปฏิบัติให้มั่นคงไม่ได้นะก็ไม่ไหวจริงๆเ่อมได้เสื่อมได้ไดบุญกุศลที่ทำมาหมดนั้นนะบางคนก็รักษาไว้ไม่ได้เป็นอย่างไ น, น เลยกลายเป็นคนประมาทในบ้านปลายแห่งชีวิตก็มีเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้นับถือบุญศาสนาผู้สั่งสมบุญกุศลทั้งหลายขอให้ระมัดระวังตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเมื่อเราได้บำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดขึ้นในจิตใจได้แล้วพยายามรักษาไว้ให้ได้เพราะว่ามันมันได้มาแสม ย, ยากเอาจริงนะ ไม่ใช่ได้ม า, ง, าง่ายนะบุญกุศลนี่นะคิดให้ดี <c oughs> ถ้าบุคคลไม่มีสติปัญญาหรือไม่มีบุญวาสนามาแต่หนหลังมาเป็นกำลังใจบ้างมันก็เอาชนะความชั่วในหัวใจนี้ไม่ได้เลยนี่เพราะเรามีบุญกุศลที่ได้ทำมาแต่หนหลังนั่นแหละมันติดตามมาเป็นกำลังใจแบบนี้ ทำให้เราพอใจที่จะทําบุญกุศลความดีสืบต่อในชาตินี้นี่เราจึงมีกําลังใจสู้กับมารคือความชั่วร้ายที่มันจะมาขัดขวางไม่ให้เราปฏิบัติตามคําสอนของอุปติเจ้านี่นไะงเราสู้มันไปเราอาศัยบุญเก่าเป็นกําลังใจเช่นอย่างว่าเมื่อจะให้ทานอย่างนี้นะคิดจะให้ทานขึ้นมา เอาความโลภความตณีมันปัดดังประเด ข, ขึ้นมาแล้วถ้าเรามีศรัทธาแรงกล้าบุญเก่าเรามีอย่างนี้เราสู้มันหาอุบายสอนจิตตัวเองเข้าไปตายแล้วก็เอาติดตัวไปไม่ได้ของต่างๆเรานี่นะอะไรสุดแล้วจะคิดได้ยังไงก็ว่ากันลงไปในที่สุดเอาชนะความตณีความหวงแห น, นนั้นได้ก็ให้ทานได้ไป นี่พอให้ทานได้บุญมันก็เกิดขึ้นในใจได้อย่างนี้แหละ <c oughs> ดังนั้นจึงว่ากลัวว่าเราจะสั่งสมบุญได้แต่ละอย่างแต่ละอันนะแล้วมันต้องต่อสู้กับกิเลสปาปธรรมต่างๆจนชนะกิเลสปาปธรรมเหล่านั้นเป็นขั้นๆไปบุญกุศลจึงเกิดขึ้นในใจได้เนี่ยเพราะฉะนั้นจึงว่าเมื่อเรา สร้างบุญกุศลให้เกิดในใจได้แล้วก็พยายามรักษาไว้ให้ได้อย่าให้เสื่อมเสียดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้